มีสติจะรู้จักทักท้วงความคิดไม่ทําตามความคิดง่ายๆหลวงพ่อคําเขียนสุวนโนหลวงพ่อคําเขียนได้กล่าวไว้ว่าผู้มีสติเนี่ยก็จะสามารถทักท้วงความคิด